สี่สเริ่มได้อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะรายการธรรมาราปุลน์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะทุกๆเช้าตั้งแต่ตีห้าถึงตีห้าครึ่งเมื่อเปิดสถานีขึ้นมาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นําสิ่งที่ดีๆเป็นมงคลมาให้ท่านฟังได้เริ่มต้นวัน อย่างนี้เป็นประจำนะคะในรายการธรรมารบปรุญน์ค่ะและทุกเสาร์อาทิตย์นั้นก็จะเป็นการสักกาหรือสนทนาธรรมะระหว่างพระอาจารย์ภั ย, ภ ย, ยบุญอภิปุนโนท่านผู้อำนวยการาหลักสูตรการรีกเลนปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธวจนะ ของวัดป่าดอนหายโศกซึ่ง อ, อยู่ในการควบคุมของพระเดชพระคูณหลวงพ่อดออรสะอาดที่ตัวพโศหรือท่านพระคูณสิทธิ์ทภากรท่านเจ้าวาดวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีจะได้มาสนทนาธรรมะและเดี๋ยฉันก็จะโชคดีที่ว่ามีบุญที่จะได้มาเป็นตัวแทนของท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะพูดคุยสนทนาซัากถามแทนท่านผู้ฟังนะคะเช้าวันนี้ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบน้ำมัสมั่พระอาจารย์ประภูนอภิพุโนพระ อ, องค์ป่าถกประจำรายการของเรากันเลยนะคะกลาบน้ำส ก, การเจ้า่าพระอาจารย์เจ้าขาเชิญพรสาธุเจ้าค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์นะเจ้า่าเป็นแรม5ข้ามเดือน3ปีมะโรงแล้วก็ระยะนี้เนี่ยะจะเห็นว่าวันเวลาผ่านไปเร็วมากนะเจ้า่าแล้วก็ในสังคมปัจจุบนันหรือว่าในบ้านเมืองเราปัจจุบันนี้เนี่ย ระยะนี้ก็นอกจากทางเหนือหรือว่าทางอีสานจะมีอากาศเย็นลงแล้วนะเจ้าคะก็ยังมีฝนด้วยแม้แต่กรุงเทพมหานครและก็จังหวัดทั่วๆไปและทางใต้นะเจ้าค่าสิ่งหนึ่งที่พี่น้องประชาชนชาวไทยเราส่วนใหญ่เป็นคำถามอยู่ก็คือว่าห่วงกังวลมีความกังวลทั้งในเรื่องของอการดารงชีพในแต่ละวันในยุคที่เศรษฐกิจค่อนข้างที่จะ หมายถึงลำบากนิดนึงมไม่ไม่ชประเทศเรานะเจ้าคะ่ะ แต่ว่าทั่วโลกเลยสหรัฐอเมริกาหรือว่ากรีซหรือว่าในยุโรปเองก็มีปัญหาด้านเศรษฐกิจเหมือนกันบ้านเราก็มีเจ้าค่ะและที่เหนือไปกว่าคนอื่นก็คือเรามีสิ่งที่เรารู้สึกว่าจะกังวลและจําเป็นที่จะต้องใช้ความอดทนความตั้งใจอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการที่จะกังวลว่าน้ําจะท่วมอีกไหมหรือไม่ท่วมอะไรต่างๆ <S <S ซึ่งทางรัฐบาลนะเจ้าค่ะท่านก็อย่างท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่กันซึ่งท่านก็จะลงพื้นที่กันในช่วงนี้ เจ้าค่ะในวันพรุ่งนี้ที่2 3ถึง17กุมภาพันธ์ไปดูกันตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำกันเลย<อ>ไปดูความพร้อมนะเจ้าคะ<อ>่ะแต่ตอนนี้โยมขอย้อนมาตรงนี้เจ้าค่ะว่าเช้าวันนี้อยากจะกราบนิมนต์พระอาจารย์ภัยบูรหรือพิบุญโนเจ้าคะ<อ>่ะได้เมตตาสากักษาเกี่ยวกับเรื่องของ ความอดทนเจ้าค่ะ<ช>เพราะว่าในสภาวะบีบคั้นอย่างนี้นิยมคิดว่าการที่เราจะมีความอดทนตามที่องค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ชี้แนะไว้นั้นเนี่ยอาจจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อชีวิตของเรานะเจ้าค่ะก็กลับนิมนต์เลยเจ้าค่ะพูดเรื่องความอดทนเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะเรื่องความอดทนนี้ก็ตั้งใจจะพูดมาอยู่หลายครั้งเหมือนกันคิดว่าวันนี้อย่างที่คุณตนใจว่านะมันมีเหตุการณ์แรงต่างๆหน้าแล้วก็เป็นโอกาสเหมาะสมที่จะพูดถึงเรื่องความอดทน ความอดทนนี้เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งที่พระพุทธชาของเราสอนมาอย่างมากทีเดียวนะได้เราได้เคยพูดไปในราการตอนก่อนๆอนย่างเช่นว่าพูดถึงเรื่องความอดทนของพระอิน น, นะนะพระอินที่ที่ถูกเท้าเวปจิตดาสเล ส, ส, ส, สับยับเลยเนี่ยนะก็ยั ง, งอดทนอยู่ได้นะบางคนจะมองคนอดทนเนี่ยที่นิ่งอยู่พระความอดทนเนี่ยว่ามันคือมันจะไม่เหมือนกันคนนิ่งๆเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคุณเตือนใจได้ไหมคนคที่แบบนิ่งๆอยู่เนี่ย เห็นไม่พูดอะไรเงียบๆ น, ๆนิ่งๆไงนะมันมีอยู่สามแบบอย่างน้อยในะอย่างแรกนี่คือนิ่งเพราะว่ากลัวกลัวอุยกลัวกลัวเขาเลยกลัวเขาจะทําอะไรเราเราก็เลยไม่ตอบตัวอะไรนิ่งๆไว้อย่างนี้อันที่สองคือนิ่งเพราะว่าโง่โ ง, ง, ง่คือไม่รู้จะตอบอะไรนะเพราะโง่ ค, งคิดไม่ออกไงก็เลยนิ่งเอาไว้อันท่สองคือนิ่เพราะว่าโ่โง่คือ่รู้จะตอบอะไรเาะโง่คิด่งนิ่งเพราไว่านิ่งได้นิ่เพราะว่าโง่โคือไม่รู้จะตอบอดทนเพราะโง่คิดไม่ออกไงก็เล นะค่อยพิจรารณาดูว่าโอ้ตอนนี้เป็นอย่างนี้เรานิ่งไว้นะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกันคือคนฉลาดแล้วนิ่งเนี่ยเรียกว่าคนอดทนไงอเจ้าค่ะแล้วก็คนอ ด, อดทนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของคนที่มีปัญญาด้วยคือคือคนโง่เนี่ยนะคุณเตือใจเขาเขาก็จะพยายามที่จะโอดฉลาดใช่ไหมในการที่จะแสดงความรู้คือคือฉันฉลาดฉันฉลาดนี่เหรอไหมแล้วถ้าฉันก็จะไม่ยอมเรียนรู้จากใครเพราะว่าคิดว่าฉันฉลาดแต่ไม่คุณสมบัติตรงนี้ของคุณเนี่ยแสดงว่าคุณเป็นคนโง่ แต่คนคที่คนที่ฉลาดเนี่ยเขาจะพอยที่จะเรียนรู้ต่างๆเขาจะนิ่งเอาไว้อดทนเอาไว้ดูเอาไว้ใ น, นการที่เขานิ่งดูเนี่ยคือความอดทนอย่างหนึง่งเป็นลักษณะของคนมีปัญญาแล้วพระพุทธาก็เคยบอกว่าผู้ที่นิ่งเพราะความอดทนเนี่ยคือผู้ที่งดงามเคยพูดถึงคุณธรรม2อย่างที่รวมกันคือขันติกับสุรจจะคือความงดงามแล้วก็ความสงบสงี่ยมตรงนี้จะทําให้เป็นคนที่งามได้ อย่างหญิงไทยที่บอกงามงเนี่ยคือว่านิ่งๆ น, นะไม่ใช่ว่า จ, วะจะต้องมาโตะกระตากเอิกอาร์กนี้ถึง จ, งงจะงามซึ่ ง, ซ, งซึ่งนิ่งเพราะความงามจึงเป็นความงดงามแตนะ่พูดถึงความงดงามของภิกษุในธรรมะประเด็นี้เนี่ยก็เพราะว่าเป็นผู้ที่อดทนนะ อ, อีกประการหนึ่งของเรื่องของความอดทนนี้ก็คือว่าจะทําให้เราเป็นผู้ที่มีโรคน้อยนะพระพุทธเจ้าเคยพูดถึงเรื่องของการเดินจงกรมคุณใจคนจคที่เดินจงกรมเนี่ยจะเป็นทําให้เป็นคนที่มีความอดทน นะอดทนต่อการทําความเพียนอดทนต่อการเดินทางไกลนะแล้วก็ทําให้เป็นคนมีโรคน้อยเพราะฉะนั้นการามีโรคน้อยการออกกําลังกายแล้วก็การอดทนเนี่ยจะมาคู่กัน3อย่างนี้จะมาด้วยกันนะถ้ า, าเราออกกำลังกายอยู่เป็นประจำเสียงว่าคุณอดทนได้ใช่ไหมคุณก็จะมีโรคน้อยลักษณะนี้แล้วคื อ, คอโรคสุขภาพแข็งแรงขึ้นว่างั้นเถอะใช่จากการออกกําลังกานยนะเจ้าค่ะแล้วไ อ, อ้โรคตรงนี้ที่บอกว่ามีโรคน้อยนร่งจริงมันไม่ได้เกี่ยวกับหมอนะคือในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีครั้งหนึ่ง ที่ว่ามีพระรูปหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาป่วยนะเขาจะเอาเอ า, าศัยสิทธิ์เนี่ยในการที่จะเลือกเสนาสนะก่อนนะก็มีคนถามว่าท่านป่วยเป็นอะไรทา่ทานนี้ก็บอกเอ้าผมเท้าแตกนี่งไงเท้าแตกนะเท้าแตกเลยป่วยป่วยเลยขอขเลือกที่ที่ ท, <laughs> ที่พิกก่อนนะซึ่งซึ่งตรงนี้คือป่วยนิดเดียวท่นเองอะ่ะอืมไม่ได้เรียกว่าป่วยด้วยซ้ำเอ่อมันไม่ได้เรียกว่าป่วยด้วยซ้ำํำนะเรียกว่าแค่เจ็บเจ็บธรรมดาแล้วบางทีคนคนที่อ อ่อนแอเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ไมีความอดทนเนี่ยทาให้หมอนี่ทํางานยากหลายอ ย, อย่างนะคุณเดิใจอย่างเช่นหมอฟันอย่างเงี้ยคุณไปหาหมอฟันอย่างเงี้ยโหถ้าคนไข้ประเภทที่ว่าเข้าไปจี้นิดนึงก็จ้าดขึ้นมาเข้าไปจี้นิดก็จี้ขึ้นมาเนี่ยหมอทํางานยากมากหมอทํางานยากมากแล้วแสดงความเจ็บเกินความจริงนะเจ้าค่ะใช่แล้วค่แต่ถ้าคนที่อดทนได้เนี่ยแหม้หมอจะทําอย่างดีเลยนะเขาจะทําอย่างเนียบอย่างเรียบร้อยใครที่เคยไปหาหมอฟันนี่จะทราบเลยนตถ้าเราอดทนได้นะคนไข้บางคนเป็นเด็กเด็กเนี่ย อดทนไม่ได้นะเพราะฉะนั้นฟันเขาก็จะจะไม่ดีไม่ได้รับการดูแลอย่างดีนะแล้วก็หมอเนี่ยเขาก็พอเห็นอดทนไม่ได้เนี่ยเขาก็จะไม่แนะนําอะไรที่มันยิ่งขึ้นไปนะที่ต้องใช้ความอดทนมากขึ้นอย่างเด็กบางคนฟันเกยอย่างเงี้ยนะเพราะว่าทนไม่ได้ที่จะใส่เครื่องดัดฟันอย่างเงี้ยโตขึ้นมาเขาก็าจะไม่มีรูปไ ม, ไม่ไม่สวยอย่างเงี้ยนะก็ฟันเกไปนะเจ้าค่ะเพราะนั้นคนที่ที่อดทนได้เนี่ยก็จะทําให้เป็นคนที่มีโรคน้อยตรงนี้ด้วย แล้วบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยอาศัยความที่ป่วยของตัวเองเนี่ยบางคนเนี่ยมีอาการนิดๆหน่อยๆเกิดขึ้นนะอาศัยเป็นข้ออ้างในการที่จะนอนเลยไม่ทําความเปลี่ยนนะแต่ว่าคนที่ ค, คนที่มีความอดทนเนี่ยเขจะเป็นอย่างนี้เขาจะมีความคิดว่าอุย้ยเขาป่วยแล้วแต่เป็นไปได้ที่ว่าความป่วยนี้มันจะลุกลามเอางี้แล้วกันเราทําความเปลี่ยนนั่นมันจะเป็นอย่างนี้ก<จ>็จะไม่เหมือนกันคือคือคนที่มีความขยันเนี่ยคนเอาคนที่มีความขี้เกียจก่อนนะเขาจะเอาอาการป่วยของตัวเองนิดๆหน่อยๆมาเป็นข้ออ้างที่จะนอนแต่ในคนที่ขยันเนี่ย คนที่มีความอดทนเนี่ยเขาจะเอาอาการป่วยของตัวเองนิดๆหน่อยๆเนี่ยมาเป็นข้อสนับสนุนตัวเองในการที่จะทําความเปลี่ยนเพราะตัวเองมีความอดทนเข้าใจไหมในขณะเดีวยวกันบางคนป่วยหนักป่วยหนักแล้วก็เพิ่งหายจากไข้คือคือบางกรณีเนี่ยอาการป่วยมากหรือป่วยน้อยเนี่ยมันเลยขีดของความอดทนไปแล้วนะอย่างเช่นว่าถ้าไอ้เจ้าแบคทีเรียหรือว่าไวรัสที่มันมีอยู่ในตัวของเรามันมีอยู่ตลอดเวลาเลยครับคุณเตือนใจนี่ออกไหม ซึ่งคคซึ่งบางทีไอ้จานวนนี้มันจะมากขึ้นหรือลดลงเนี่ยขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของร่างกายเราใช่ไหมทีนี้ว่าถ้าเรามีความอดทนน้อยเนี่ยไอ้พวกเชื้อพวกนี้มันจะลุกขึ้นมาเร็วถ้าเรามีความอดทนมากเชื้อพวกนี้ก็จะลุกขึ้นมาน้อยอ่ะไม่เป็นไรในกรณีที่มันลุกขึ้นมาแล้วเต็มที่แล้วเราป่วยเต็มที่แล้วป่วยหนักแล้วเราเพิ่งจะหายจากไข้อย่างเงี้ยคนขี้เกียจเนี่ยนะคนที่เขามีความอดทนน้อยเนี่ยเขาก็จะอาคิดมีความคิดอย่างนี้ว่าโห๊ยเพิ่งหายจากไข้มา เดี๋วเผื่ว่าไข้นี้มันจะลุกลามเอางี้ลนอนซะก่อนนั่ะนี่คือคนขี้เกียจคนที่ไม่มีความอดทนแต่คนที่มีความอดทนเยจะมีความคิดว่ายเราเพิ่งหายจากไข่มาแต่ว่าช่วงที่เราป่วยไข่อยู่เราทําความเพียรไม่ได้เลยกลัวว่ามันจะกลับมาลุกลามอีกเรารีบทําความเพียรตอนนี้จนั่นก็เหตุการณ์เดียวกันเนี่ยคนที่มีความอดทนกับคนที่ไม่มีความอดทนเนี่ยไปคนละเรื่องกันเลยคิดคนละอย่างกันเลยนะเจ้าค่ะนี่ก็เพราะว่าความที่เขาขยันความที่เขามีความอดทนตรงนี้ แต่ทำทำให้ที่ไปคติที่ไปของสองคนนี้จะไม่เหมือนกันเลยเจ้าค่ ะ, ะคนหนึ่งนี้จะเต็มไปด้วยข้ออ้างมีการอ้างเล่นู่นนี่ทำไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่เอาไม่ได้เรื่องนะงานไม่สำเร็จนะแต่ว่าคนที่มีความอดทนอันนี้ก็ได้อันนั้นก็ทำได้อันนี้ก็ไม่เป็นไรฉันทำได้นั น, นี่จะสาเร็จได้อย่างนี้นะเจ้าค่ะดังนั้นก็อาจจะสรุปอย่างนี้ได้ไหมเจ้าค่ะว่าความอดทน ตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเทศนาสั่งสอนมาเนี้ยนะเจ้าคะเป็นหนทางแห่งความสําเร็จจะทําให้ผู้ที่มีความอดทนนั้นเนี่ยชนะอุปสรรคทั้งปวงได้ก็เรียกว่า อ, อย่างที่พระอาจารย์บอกว่าทําความเพียรในที่นี้ก็คือว่าปฏิบัติบูชานั่นเองใ่ถูกไหมเจ้าคะใช่ใชแล้ว เ, เรื่องความอดทนหรือการทําความเพียรตรงนี้มันเป็นลักษณะของยิ่งใช้แล้วมันยิ่งมีนะคุณนใจยินใจคือมันยิ่งใช้แล้วมันยิ่งเกิด มันไม่เหมือนกับอย่างเงินทองเนี่ยคุณใช้ซื้อกระเป๋าซื้อเสื้อผ้าหมดเลยหมดแต่ว่าความเพียรหรือว่าไอ้ความอดทนเนี่ยมันยิ่งใช้ยิ่งเกิดยิ่งใช้ยิ่งเกิดยิ่งใช้ยิ่งเกิดและเป็นลักษณะของมั่งอย่างเช่นเอายกตัวอย่างง่ายๆคุณไปวิ่งอย่างเงี้ยคนที่เคยวิ่งมาราธอนเนี่ยหรือฝึกซ้อมเพื่อที่จะวิ่งมาราธอนหรือวิ่งระยะที่มันเกิน10กิโลขึ้นไปเนี่ยนะตอนแรกอ๋อคุณฝึกใหม่ๆวิ่ง2กิโลเนี่ยโหยากมากนะสกิโลคนที่ไม่เคยวิ่งมาก่อน แต่พอเราวิ่งสกิโลไปได้เรื่อยๆ5กิโลนี่สอ2กิโลพอเราวิ่งถึง5กิโลเนี่ยสอ2กิโลนี้ไม่ไม่มีปัญหาละคือหมายว่าคนที่ฝึกซ้อมอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งตัวเองสามารถวิ่งถึง5กิโลได้นี่นะไอตอนแรกที่คิดว่า2กิโลมันยากเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องง่ายไปเราใช้ความอดทนตัวเดิมนี่นะอดทนตัวเดิมนะวิ่งจาก5กิโลไปเป็น8กิโลนะวิ่งขยันวิ่งเข้าไปให้ให้ได้ถึง8กิโลวิ่งรอบหนึง2รอบไปเรื่อยๆนะทำไป2อวันหวันสิวันเราจะพบว่าไอวิ่ง5กิโลนี่มันไม่ยากาย เ, เราไปอีก <คะ S 2> จนกระทั่งวิ่งถึง10กิโล15กิโลอย่างเงี้ยเราสมมติว่าอพอ้ราวิ่งถึง15กิโลแล้วเนี่ยไอ้10กิโลไอ้ที่ดูเหมือนว่าโอมันจะไม่มีทางได้เลยเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องง่ายไปจุนะ๊ค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยเราจะก้าวหน้าได้ทําให้เวลาคนที่มีความอดทนอย่างเงี้ยมีความอดทนเนี่ยพอใช้ไปใช้ไปมันจะยิ่งมากเหมือนอย่างคนที่เป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยคุณินใจเขาเขายันซ้อมเขาซ้อมไปเรื่อยๆเนี่ย ทำให้เขามีความสบายแล้วในการที่จะซ้อมไอ้ซ้อมสิบนาทียี่สบนาทีไม่มีปัญหาเลยได้เลยนะแล้วก็อดทนตรงนี้มันจึงจะทำให้เราไปได้ยิ่งยิ่งท ำ, ย, งท ำ, ย, งทำยิ่งมากยิ่งทำยิ่งมากเจค่ะนะเป็นเป็นลักษณะของมัคเจค่ะคือถ้าเปรียบเทียบในด้านของทางอ่า ประชนเรานีเจ้าคะ่ะคือคารวะเนี่ยยกตัวอย่างอย่างเช่นนักกีฬาอย่างที่พระจันทร์ไพบุญได้เมตตาสักฉามานะเจ้าคะ่ะคือยิ่งซ้อมร่างกายก็ยิ่งแข็งแรงและสามารถที่จะมีพละกําลังที่จะเข้าแข่งขันนี่ต้องชนะแน่นอนอเพราะว่าเตรียมความพร้อมของร่างกายมาแล้วนะเจ้าคะ่ะแต่นี้ถ้าสําหรับทางด้านของการปฏิบัติธรรมหรือการฝึกเขาเรียกว่า ปฏิบัติบูชาต่างๆนี้ก็เจกเช่นเดียวกันใช่ไหมเจ้าคะ่ะว่าถ้าหากว่ามีความอดทนที่จะทําความเพียรไปเรื่อยๆนั้นเนี่ยเราจะเข้าถึงธรรมะหรือว่าสามารถทําจิตใจเราเนี่ยศึกษาได้ละเอียดละเอียดยิ่งๆขึ้นไปอ่ะเจ้าคะ่ะมันมันเป็นอย่างนี้ตรงเรื่องความอดทนเนี่ยจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับธรรมะก็คือว่าคนที่อดทนเนี่ยพระรูชาบอกว่าจะทําให้เข้าสู่สมาสมาธิได้ง่ายอนะเข้าสู่สัมมาสมาธิได้ง่ายอันนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงของอาตมาเลย คือเมื่อสองสามปีที่แล้วเนี่ยได้มีโอกาสไปประเทศอินเดียใช่ไหมตอนนั้นที่ไปประเทศอินเดียเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่แต่ว่าหลวงพ่อท่านก็บังคัาให้ไปเอาเราเข้าไปด้วยพอ <c oughs> พอไปแล้วเนี่ยเราก็คือก็คาดหวังอยู่แล้วนะ ว, ว่าสภาพมันจะเป็นยังไงนะ <c oughs> อาหารก็อย่างว่าผู้คนก็อย่างว่ารถก็อย่างว่าการจราจรก็อย่างว่าน ะ, <c oughs> ะทีนี้ว่าเราก็เนื่องจากความที่ไปสถานที่ที่พระพรุทธเจ้าประสูนย์เนี่ย หรือว่าอปฏิสรูรสร้รนเนี่ยรเราก็ต้องสัมรวมจิตของเราอย่างมากเลยเราจะไม่คิดแสสายไปในภายนอกเราไปด้วยศรัทธาเราจะไม่ด่าใครจะไม่ว่าใครเลยทําให้มีอะไรมากระทบเนี่ยเราอดทนได้หมดจ้าค่ ะ, ะการจราจรอาหารผู้คนกลิ่นโอ้ยลุงตงนางทั้งหลายแหลเนี่ยอดทนไปเอ๊ะเรากลับมาเมืองไทยเนี่ยเราพบว่าโอ้ยสมาธิเราดีขึ้นหลายเท่าทีเดียวอืเจ้าค่ ะ, ะสมาธิเราดีขึ้นกว่าตอนที่เราไปเอ๊ะเพ่นเพราะอะไร แะมาตรวจสอบดูกับพุทธวจนะตรงนี้พระรูชาบอกว่าอ่านี่ไงคนที่อดทนต่อตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างเนี้ยนะใจด้วยหอย่างเนี้ยอดทนต่อตาหูจมูกลิ้นกายใจหอย่างนี่นะจะทําให้คุณเนี่ยเป็นผู้ที่ง่ายต่อการเข้าสู่สม า, สมาธิอืมเจ้าค่ะก็คือมีสมาธิดีขึ้นนะเจ้าค่ะใช่คือเข้าได้เร็วไงเข้าได้เร็วเข้าได้ง่ายาาคือคือคนจะมาสมาธิดีหรือไม่ดีมันต้องวัดทั้งหมดเจ็ดอย่างหอย่าง นะคือหการเข้า2การดํำรงอยู่3าการออกใช่ไหมสี 4, นะ่คุณธรรมธรรมะที่เป็นเ e อื้อเฟื้อแก่สมาธิไหมทําโดยติดต่อไหมนะทําโดยเป็นประจํำไหมทั้งหมด6อย่างนี้ <Okay. S 1> ซึ่งไอ้เรื่องการอดทนเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งใน6อย่างตรงนี้แต่ว่าไอ้ตรง<ช>การอดทนเนี่ยต่อตาหูจมูกลิ้นกา ย, ยจะทำให้เข้าได้แต่ถ้าสมมุติเราอดทนต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราอยู่ได้คือไอ้ความอดทนเนี่ยมันต้องใช้อยู่ไปเรื่อยๆอยู่แล้ว นะเป็นเป็นลักษณะของเหมือนทางเดินนะ่ะคุณเดินไปคุณทําต่อคุณเดินไปคุณทําต่อมันก็ยืดไปเรื่อยๆยาวไปเรื่อยๆนะอยิ่งเดินยิ่งยาวยิ่งเดินยิ่งไปไดนะ้อดทนก็ยิ่งชใช้ยิ่งมากยิ่งใช้ยิ่งเกิดลักษณะเดียวกับมรรคอย่างนี้ สาธุเจ้าคะ่ะทีนี้โยมขออนุญาตพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโ น, โนนะเจ้าคะ่ะเรียนถามย้อนกลับมาถ้าเผื่อนําหลักของความอดทนอย่างที่พระอาจารย์ได้กรุณาเมตตาสากฉาามาตั้งแต่ตอนต้นรายการนะเจ้าคะ่ะแล้วถ้ามาปรับกับชีวิตของคนไทยเรานี่แหละเจ้าคะ่ะในยุค ป, ปัจจุบันเนี่ยซึ่งก็มีการบีบคั้นต่างๆหรือความกังวลใจต่างๆอะไรเข้ามามากมายอย่างที่โยมกล่นตอนตอนช่วงต้นรายการแล้วนี้<ช>ขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบุญ ได้สากษาฉายฟังเจ้าค่ะว่าจะปรับเอาความอดทนนั้นเนี่ยมาทำยังไงทําจิตใจยังไงเราถึงจะเป็นสุขอยู่ได้แม้ว่าจะมีเรื่องบืบคั้นต่างๆสมประดังเข้ามาเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะเรื่องความอดทนที่บทเพัญชนะที่พระพุทเจ้าให้ความนิยามนะนิยามกับคําว่าอดทนเนี่ยคือจริงๆเป็นอย่างนี้บอกว่าการอดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายอดทนต่อเหลือบยุงลมแดดอดทนต่อ ทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบป็นร้อนนะอดทนต่อวาจาถ้อยคําอันหยาบคายร้ายกาจเพราะนั้นมันตรงกับที่เราจะต้องเอาไปใช้เลย <Okay. S 1> นะอย่างเช่นว่าสมมตินคนด่าเรามันด่าเจ็บจริงๆนะเราไม่เคยที่เครได้มีใครด่าเราอย่างนี้มาก่อนมันเจ็บจี้เลยเนี่ยนะนะถ้าคุณ <Okay. S 1> อดทนได้เนี่ยคุณมีคุณสมบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนนะแล้วก็ยังพูดถึงความหนาวความร้อนนะความหิวความกระหายอย่างคนที่หิวข้าวอย่างเนี้ย คุณประชุมติดต่อเนื่องกันตั้งแต่เช้าบ่ายเงี้ยก็จะได้มากินข้าวเที่ยงบงคนได้กิน6กโมเ็นนะข้าวเที่ยงพวกที่ทา ง, งานบางที่เพราะฉะนั้นคุณอดทนได้คุณเป็นคนดีนะคุณเป็นคนที่ยังมีจิตที่เป็นสมาธิได้อยู่นั่นะคือคืออดทนเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นมาร์กนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องกระทําเป็นสิ่งที่เราจะต้องใส่เข้าไปแลนะเพื่อให้ได้ผลอะไรผลเป็นจิตของเราสูงนะจิตเราสูงเอาอย่างง่ายๆ ย, ยกตัวอย่าง2คนคุณเตนใจคนแรก โอ้ยเดี๋ยวก็บ่นว่าหิวเดี๋ยวก็บ่นว่าร้อนเดี๋ยวก็บ่นว่าหนาวหนาวก็บ่นร้อนก็บ่นหิวก็บ่นอ็หายก็บ่นโอ้ยแต่อีกคนหนึ่งอดทนได้ไม่ค่อยบ่นนิ่งนะแล้วก็ทํางานไปไม่บ่นไม่ว่าถามว่าคุณเตือนใจมีลูกน้องสองคนแบบเนี้ยคุณเตือนใจจะมอบงานสําคัญให้คนไหนเอาคนที่นิ่งนะเจ้าค่ะแล้วก็ความอดทนช่เจ้าค่ะคนไหนบ่นมากๆเรื่องมากนี่ก็ไม่น่าจะใช่เจ้าค่ะมันมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นเออเป็นเขาเรียกเป็นมัก เป็นวิธีที่เราจะต้องทำแล้ว ม, มันมันไม่ยากไงแค่เราอดทนได้นะมันเหมือนกับยุ่งกัดแล้วก็อดทนคืออดทนเนี่ยเอาเอาเอางี้อา่าสมมุติ2 2> สองคนนะเขารักกันนะคนที่รักกันเนี่ยคุณเตือนใจโอ้ยอีกฝ่ายหนึ่งทําอะไรเนี่ยมันอดทนได้หมดนะเจ้าค่ะเขาจะขอโทษหรือดพายลมออกมาเหม็นๆเราก็อดทนได้หรือว่าทําอะไรที่ไม่ดีโอ้ฉันก็ทนได้ฉันรักเธอฉันทนได้อย่างนี้นะ แต่<จ>พอ<ะ>เลิกกันเมื่อไหร่เลิกกันเลิกกันนะ<จ>โอ้ยเอาแค่ว่าไอ้ที่เขายิ้มก็จะยังทนเขหน้าเขาไม่ได้ะนะหรือว่าอะไรที่เขาแบบท น, มนไม่ไหวออมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอ้อดทนนี่มันเกิดจากอะไรทำไมคนเดียวกันนะแตกต่างเวลาฉันหมดความรักในเธอละฉันทนอะไรที่เธอทำไม่ได้สักอย่างนึงแต่ตอนรักกันนี่โอ้โหมันอะไรที่ไม่น่าจะทนได้นี่มันกลับทนได้ใช่ไหมเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้น ไหนะก็ก็ง่ายๆ<ช>นะมันอยู่ที่ว่าคุณตั้งความพอใจไว้ที่ไหนคุณตั้งความพอใจไว<ช>้ที่ไหนเอายกตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราคุณเตืนใจเลยเออ่ไม่กินข้าวอย่างเงี้ยไม่กินข้าวนะคุณใจไม่กินข้าวจนท้องกิ่วนะกิ่วขนาดว่าไอ้หนังท้องเนี่ยข้างหน้านี่นะมันไปติดก ร, กระดูกข้างหลังเข้าใจไหม<ช>ซึ่งซึ่งตอนนี้เราจับท้องของเราดูจับตรงสะดือเนี่ยมันไม่ไปถึงกระดูกสันหลังได้นะ มันยังติดอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดทั้งมีไส้เซยอะไรนั่นจ้าค่ะตรงนี้มีเต็มไปหมดแต่ของพระเจ้านี่แห้งติดกันเป็นแผ่นเดียวจับตรงหน้าท้องเนี่ยถึงกระดูกสั้นหลังทันทีไม่มาติดไส้เล็กไส้ใหญ่ไขมันหนาเตอะไม่มีเจ้าค่ะเพราะว่าตอนทําทุกขกิริยาใช่ไใช่ค่ะเพราะว่าพระองค์เป็นคนอดทนไงทีนี้ไอ้อดทนตรงนั้นทำไมถึงพระองค์ถึงทําได้ขนาดนั้น เพราะว่าเราตั้งความพอใจไว้ที่ไหนพระพุทธเจ้าตั้งความพอใจไว้ที่อนุตรสัมมาสัมปทิยาน <Okay. S 1> อ่าอใหดีนะพระพุทธเจ้าตั้งความพอใจไว้ที่อนุตรัสัมมาสัมปทิยานอา้าวอย่างเาปรียบเทียบกับคนสองคนที่เรายกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยลูกน้องคุณเดินใจใช่ไหมคนหนึ่งขี่บน <Okay. S 1> อีกคนหนึ่งอดทนได้ถามว่าสองคนนี้เขามีการเพ่งไม่เหมือนกันนะคนแรกเนี่ยมีการเพ่งอย่างพระพุทธเจ้าใช้คำว่าม้ากระจอกม้ากระจอกเนี่ยคือคนที่แบบว่า จะเพ่งว้วันนี้ฉันจะได้อะไรกินเขาจะเอาไม้ให้กินเวลาไหนกินแล้วมันจะกินมีมีรำข้าวไหมมีหญ้าไหมจะเพ่งอยู่แต่แค่นี้ในไะอ้พวกที่ขี้บนเนี่ยจะบ่นว่าเออเดือนนี้ฉันจะปีนี้ฉันได้สองขั้นไหมเนาะแล้วฉันจะได้มีโบนัสไหมเนาะแล้วฉันจะได้ไปดูงานต่างประเทศไหมเนาะจะคิดอยู่แต่แคน่นี้เจ้าะฉะนั้พวกนี้จะเป็นคนขี้บนเป็นคนที่ไม่อดทนเพราะอะไรเพราะว่าเขามีความเพ่งอย่างไม่ใช่อาชาชนายเจ้าค่ะแต่มาอาชา น, นัยเนี่คุณตือนใจจะมีความเพ่งไม่เหมือนกัน จะมีความเพ่งที่ยิ่งไปกว่าจะมีความเพ่งที่ว่าเออวันนี้เจ้านายเราจะฝึกอะไรวันนี้เขาจะออกแบบฝึกอันไหนฝึกมาอย่างนี้เราจะตอบโต้อย่างไงฝึกม่อย่างนี้จะทำอย่างไรนะซึ่งคนที่อย่างลูกน้องคนที่2เนี่ยที่ว่าอดทนได้เนี่ยนะเขาจะมีความเพ่งในจิตพิจารณาเรื่องงานความสําเร็จของอ ง, องค์กรแในความสำเร็จของชีวิตเขาเพ่งจิตที่สงบลักษณะนี้เขาจะไปได้ไม่เหมือนกันนะใช่ค <Okay. S 1> นะ่ะซึ่งซึ่งมันจะดูได้ตรงที่ว่าความรักตรงนี้เราดูง่ายๆคนที่เรารักเนี่ยเขาจะหน้าตาโอ้โห ไม่รู้มาจากดาวไหนเถอะวะแต่ว่า <c oughs> ลงรักกันแล้วนี่นะมันทนได้เจ้าค <c oughs> ่ะคุณแก่ไปจนผมหงอกหนังเหี่ยวละเดินตัวสั่นเทิมก็ยังรักกันอยู่เจค่ะ <c oughs> เพราะว่าอดทนได้ไงอดทนได้เพราะว่ามีความพอใจตรงนี้นะซึ่งถ้าเราตั้งความพอใจไว้ในมรรคผลนิพพานตั้งความพอใจไว้ในอจิตที่สงบอย่างอย่างพระเจ้าของเราอย่างเงี้ยแสวงหาอะไรคุณเตือนใจเอ้ยแสวงหาสิ่งที่ไม่แก่ไม่ตายสิ่งที่ไม่แก่ไม่ตายอยู่ไหนหา หาตั้งความพอใจไว้ตรงนี้เพราะอะไรที่มันจะมาขวางทางฉันไม่สนอดทนได้นะท้องอกิ่ขนาดนั้นคิดดูเอาจับหลังจับเอื้อมือไปข้างหลังไปจับกระดูกสันหลังเอามันโดนท้องด้วยอืบาง ค, คนเนี่ยเอื้อมือหลังไปจับกระดูกสันหลังยังไม่ถึงกระดูกสันหลังก็ได้ด้วยซ้ำเพราติดไอ้ไขมันที่อยู่ข้างหลังใช่จ้คะคะซึ่งซึ่ ง, งมันมันคนละเรื่องกันแล้วมีครั้งหนึ่งผู้ะพุทธเจ้าก็ผอมแห้งแรงน้อยเนี่ยนะแล้วก็อากาศหนาวหนาวจริงๆก็ไปนอนอยู่กับ ไอ้วัวควายที่มันหลุดออกมาจากคอกเนี่ยเพราะว่าวัวควายมันให้ความอุ่นได้บ้างใช่ไหมเค่ะ <Okay. S 1> ก็มีเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยเขามาตามวัวนำควายเห็นตอนนั้นเป็นพระโอทิสัตย์อยู่ใช่ไหมยังไม่เป็นพุทธเจ้ า, เ, าเห็นสมณะโคโดมเนี่ยนอนอยู่ <Okay. S 2> ก็เลยเอาไอ้ไม้ไม้ลาแหลเนี่ยมาที่หูแล้วก็บัตรสวะใส่บัตรสวะรถนะนะเจค่ะพุทธเจ้าก็ไม่ตอบโต้นะนิ่งอยู่อดทนได้นะคุณเตือใจ เ ร, ừ, เราไม่ต้องพูดถึงฉี่ใส่เรานะเอาคนมาถุยน้ำลายใส่หน้าเราเราก็ทนไม่ได้แลนะ้วนะเจ้าค่ ะ, ะแต่พระเจ้านี่ฉีใส่ด้วยนะเอาไม้แยงหูด้วยอดทนได้อนะืมเพราะว่าเพราะาอะไรเพราะพระองค์บอกไปชัดเจนบอกว่าเพราะว่าเราหวังในสัมมาสัมปชัญ่ ะ, ะเราจึงไม่ตอบโต้ไม่ให้จิตของเราเนี่ยมีความอาฆาตแม้นิดเดียวในเด็กพวกนั้นแสดงว่าเราเราสังเกตเห็นแล้วว่า๋อความอดทนเนี่ยมันเกิดจากความพอใจ เราตั้งฉันทะไว้ที่ไหนแตนะเราตั้งฉันทะถ้าเราตั้งชันทะไว้ในกามนะัคือเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยอย่างเช่นหนุ่มสาวเขรักกันเนี่ยพอฉันเลิกรักคนนี้ความอดทนหมดทันทีแต่ถ้ า, ถาเรายังมีความรักกันอยู่ความอดทนมีทันทีเพราะฉะเราตั้ ง, งเอาความพอใจของเราเนี่ยไว้ในสิ่งที่เป็นคุณธรรมอย่างเช่นว่าเราพอใจในความเป็นคนดีอย่างเงี้ยฉันเป็นคนดีทุกโต๊ะปึ้งฉันเป็นคนดีอะไรที่ไม่ดีเราไม่ทำเอาแล้วถ้ามันมากวนได้ เพราะอะไรเพราเราตั้งความหวังปรารถนาไว้ในความที่เราจะเป็นคนดีไงเจ้าค่ะมันไม่ยากนะคุณเฉยเจ้าค่ะอันนี้ก็สามารถที่จะมาพูดปรับได้กับคนที่ทํางานใช่ใชโดยเฉพาะอย่างยิ่งรับราชการนะเจ้าค่ะถ้าเราตั้งจิตมั่นว่าเราจะเป็นข้าราชการที่ดีเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ทํา ปฏิบัติราชการอย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างแท้จริงไม่ว่าใครเขาจะเอาอะไรรางวัลหรืออะไรต่างๆมาหลอกล่อเราเราก็ยังตั้งมั่นอยู่ในสิ่งที่เราคิดว่าจะเป็นข้าราชการที่ดีไม่ทุจริตประพฤติไม่ชอบอบียดนี้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะใช่ใช่แล้วก็คือเราเรามีความพอใจในสิ่งที่ดีนะตรงนี้ะจะทําให้คุณอดทนได้อะไรอรต่างๆมันมาหมดนะคือเราจะเดินไปตามทางคือมักนะอริยมรรคมีองค์แเราจะเดินไปตามทางนี้ได้ อดทนเนี่ยเป็นหนึ่งในมรดุด้วยะถ้าาจะดูดีๆลมันก็อยู่ในสัมมาวายมะอยู่ในสัมมาทิฏฐิด้วยคือคือความเห็นที่เราจะต้องมาอดทนเนี่ยความเห็นของคุณตรงนี้เป็นสัมมาทิฏฐินะอืมแล้วก็ในระหว่างที่อดทนอยู่เนี่ยความเพียรในการที่คุณมาตั้งไว้ตรงเนี้ก็เป็นสัมมาวยามะนะอืค่ะแล้วก็ถ้าคุณมีสมาธิคือสติเนี่ยมันต้องมีแน่เพราะว่าจะปัดปัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปหรือแต่สิ่งที่ดีเอาไว้เนี่ยสติของคุณตรงนี้ก็เป็นสมาสติ เนะสมาธิก็เกิดขึ้นก็เป็นสมาสมาธิละนะแล้วก็ <Okay. S 1> กายวาจาอาชีวะนี่ก็บริสุทธิ์มาแล้วอยู่แต่เดิมแตนะ่อย่างนี้ก็ชื่อว่าคุณยังเป็นมีอริยามากมีองค์แเนี่ยมันตามมาพร้อมเลย <Okay. S 1> เมีมีประเด็นตรงนี้ว่ า, าความอดทนกับการที่กายกระสับกระสายเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะพระพุูชาว่าเล่าให้ฟังตรงนี้ตอนที่พระองค์ทําความเพียรทุกรักกิริยาเนี่ยอย่างเช่นกลั้นลมหายใจหรือว่าอดอาหารอย่างเงี้ยคือจะมีความกระสับกระสายเพราะว่า มีความเพียนที่ทนได้ยากนะเสียดแทงเอาแต่ว่าก็ยังมีความอดทนอยู่นะเพราะฉะนั้นความอดทนสติแล้วก็กายกระสับกระสายนี้จะไม่เหมือนกันนะคุณจะต้องมีสติละ่ะคุณถึงจะอดทนได้แตนะกายอาจจะกระสับกระสายบ้างนั่นะก็จะเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งจิตมีความอดทนจิตมีสตนะิจะไม่เหมือนกับกายกระสับกระสายตรงนี้นะนี่คือประเด็นสุดท้ายที่จะเพิ่มมาไว้ตรงนี้เจ้าค่ะแล้วอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูญอภิพุนโนนะเจ้าค่ะได้ าฝากแง่คิดสุดท้ายเจ้าค่ะให้บรรดาผูษษา้ศาชนิกชนและก็พี่น้องประชาชนชาวไทยเราในปัจจุบันนี้ซึ่งก็อย่างที่ได้เกิ่นะเจ้าค่ะมีอะไรที่จะเข้ามาทําให้เรานั้นเนี่ยวันไหวแล้วก็อาจจะทุกข์ร้อนเกินกว่าวิตกกังวลมากจนเกินกว่าเหตุนั้นเนี่ยเราต้องใช้ความอดทนอย่างไรจรึงจะทําให้ชีวิตเราเป็นสุขอยู่ได้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะให้มีความอดทนกันความอดทนนี้เป็นผล ผลของเหตุอะไรนะคือเหตุก็คือว่าเราตั้งความมั่นใจไว้ในพระธรรมในพระพุทธในพระสงฆ์นะว่าเออเราจะเป็นคนดีในะอย่างคนหนาๆธรรมดาธรรมดาอย่างเราท่านๆเนี่ยเออถ้าเราจะปฏิบัติ ด, ดีเนี่ยมันจะเป็นคนดีขึ้นมาได้นะอย่างนี้เรียก ว, ว่ามีความมั่นใจในพระสงฆ์สงสารของพระพุทธเจ้าเรามั่นใจในความที่เราจะเป็นคนดีนะทำให้เราที่จะมีความอดทนได้อะไรมากเราอดทนได้อดทนเนะมากหน่อยน้อยหน่อยหนาวหน่อยร้อนหน่อยอดทนแล้วเราเป็นคนดีเป็นคนงาม แลนะเป็นผู้มีปัญญาด้วยเพราะถ้าเราอดทนได้นะ่าฝ่าฟันอุปสรรคไปได้แลนะคุณจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีให้มีการเพ่งอย่างม้าอาชาไนอย่าให้เป็นม้ากระจอกถ้าเราเป็นม้าอาชาไนแล้วเนี่ยเราเป็นอย่างน้อยเราไปสู่ที่ไหนเนี่ยเราจะไม่ครั่นคล่มเราจะมีความก ล, วกล้าหาเราจะมีความสบายใจมีความมั่นใจตรงนี้แต่ถ้าเราอดทนแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตแน่นอน เจ้ค่ะสาธุเจ้ค่ะ<ม>ก็เป็นแง่คิดที่มีคุณค่ายิ่งที่พระอาจารย์ภบูบุญอภิพุนโนะพระอาจารย์ของเราได้ฝากไว้ท้ายรายการธรรมารับวรุณทางสถานีวิท ย, กยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันอาทิต์นี้นะคะเดินคิดว่าเชื่อมั่นว่าวันนี้การสนทนาเกี่ยวกับเรื่อ ง, องความอดทนจากพระอาจารย์ภัยบุญอภิพุนโนะท่านผู้อำนวยการหลักสูตรริเกเลนปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศก ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอหนองหาจงนจังหวัดอุดรธานีนั้นเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ท่านผู้ฟังจะสามารถนําไปคิดพิจารณาแล้วก็ปรับใช้ได้เป็นอย่างดีทําให้ชีวิตเราปัจจุบันนั้นมีสุขอยู่ได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนะคะสําหรับชาวันนี้ก็ขออนุ ญ, ญาตที่จะนําท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบุญอภิพุโ น, โนแล้วก็กราบนมัสการล า, าท่านเพียงแค่นี้จนกว่าจะได้มาพูดคุยสนทนาสากาักกะกันใหม่ ในวันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะแต่ในวันชาพรุ่งนี้ท่านพระอาจารย์ไพบุตรอรินุกโญก็ยังมีธรรมะดีๆมาเสนอให้ทุกผู้ฟังได้รับฟังทางรายการธรรมรับรุณเหมือนเช่นเคยคะ่ะกราบน้ำส ก, การและกราบขอบคุณเจ้า่าพระอาจารย์เจ้าค่าเชิญพานสาธุเจ้าคะ่ะ